Thank you. ทั้งหลายเนี่ยถ้าว่ายังไม่หมดกิเลสยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่ายังต้องเป็นผู้ที่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้อยู่ต่อไปออการศึกษาที่ว่านี้ก็หมายถึงการฝึกฝนตนเพื่อให้ได้เห็นถึงความจริงอย่างแจ่มแจ้งถ้าเรียกโดยใช้ภาษาบาลีก็เราเป็นเสขาบุคคล เสียาบุคคลก็คือว่าผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่แต่ไม่ใช่หมายถึงการเข้าห้องเรียนอ่านตำรับตำราแต่ได้แก่การปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาตนเสียข้าบุคคลคือพวกเราก็มีกิจที่จะต้องเรียนรู้จนกว่าจะจบกิจนะก็คือว่าสิ้นกิเลสหรือดับทุกได้นี่ในการศึกษาของพวกเรา ในฐานะชาวพุทธหรือผู้ที่มุ่งเข้าถึงนะความหลุดพ้นนะแห่งทุกข์เราก็จะเป็นต้องมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สูงสุดของเราคือพระบรมศาสดานะพระพุทธองค์แต่ว่าพระองค์ก็เสด็จปนิพพานไปนานแล้วนะทิ้งไว้แต่คำสอนแต่ครูบาอาจารย์ที่จะช่วยเราได้นะก็ยังมีอยู่นะ จะเป็นผริยาทรงก็ดีหรือว่าม่ใช่ก็ตามพวกเราก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์จะเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็แล้วแต่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นความจําเป็นก็ว่าได้นะเพราะว่ากะะาัลยาณมิตรเป็นสิ่งสําคัญนะสำหรับเรานะซึ่งยังเป็นผู้ที่ต้องศึกษายิ่งเป็นบุุรชนด้วยแล้วนี่ยิ่งต้องะ มีอะะาจารยานมิตรคอยช่วยเหลือนะซึ่งก็ได้แก่ส่วนหนึ่งก็ได้แก่ครูบาอาจารย์อันนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะช่วยเราได้อย่างไรหรือมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรส่วนหนึ่งก็ได้ก็มีประโยชน์ด้วยคําสอนของท่านคําสอนคําเทศนาคําชิ้แนะอาจจะรวมถึงความคําท้วงติงหรือว่าคําตักเตือนนะ ชาวาพูดเราก็ถือว่าคําตักเตือนความท่วงติงอันนี้เป็นเสมือนการชี้ข่มทรัพย์บนะซึ่งทําให้เรารู้ว่าอะไรที่เรายังทําได้ไม่ดียังบกพร่องอยู่จากสิ่งสําคัญกว่าคําสอนที่เป็นคําพูดนะของครูบาอาจารย์นั่นก็คือวัดปฏิบัตินะการปฏิบัติตนของท่านนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าคําสอน คำสอนนี่พูดให้ดีอย่างไรก็ได้ไปจดจามาจากพระไตรปิฎกก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่จะแสดงถึงความเป็นครูบาอาจารย์ที่เราจะเรียนรู้ได้นะก็จากการประพฤติปฏิบัติของท่านนะซึ่งเราก็มักจะสรุปด้วยคําว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นอันนี้มันจะแสดงถึงความเป็นของจริงมากกว่าคําพูดนี่มันก็ปฏิปปดอยไดนะ้มันไม่ใช่ ไม่จะป็นายาเป็นของจริงเสมอไปบางท่านนี่ท่านก็เข้าถึงธรรมนะรู้แจ้งแต่ว่าท่านก็ไม่สามารถจะสอนได้มีข้อจำกัดในเรื่องการถ่ายทอดอย่าว่าแต่ครูบาอาจารย์ที่เป็นปุถุชนหรือแม้แต่อริยบุคคลเลยนะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นหนึ่งพระพุทธเจ้านะแต่ว่าท่านสอนไม่ได้สอนไม่เป็น มีข้อจำกัดในการพูดในการถ่ายทอดนะแต่ว่าการปฏิบัติของท่านเนี่ยนะสามารถจะเป็นแบบอย่างที่ดนะีที่ประเสริฐให้กับเราได้ลักษณะหนึ่งของครูบาอาจารย์เนี่ยนะที่จริงเรียกว่า2ลักษณะดีกว่านะที่มาควบคู่กันนะที่อยากจะพูดให้เป็นข้อสังเกตนะก็คือว่าในด้านหนึ่งท่านก็ มีวัดปฏิบัติที่งดงามนะแต่อีกด้านหนึ่งท่านก็มีความมั่นคงเข้มแข็งเวลาพูดถึงความเข้มแข็งเนี่ยเราก็มักจะหมายถึงของที่มันหยากนะที่มันกระดา้างนะแต่สำหรับครูบาอาจารย์เนี่ยความเข้มแข็งของท่านเนี่ยมันมาพร้อมกับความความงดงามความปณีดยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมก็เช่นว่าอ่เวลาท่านจะทาอะไรท่านก็ ทำด้วยความใส่ใจร ะ, ระกาดระวังนะไม่ส่งเสียงดังทำเบาๆนะจนบางทีมันก็ว่าไม่ได้มีท่านอยู่ในที่นั้นด้วยเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงไม่ได้แปลว่าท่านจะทำเนิบช้าบางท่านก็ทา ค, คล่องแคล่วนะแต่ว่าเรามันระวังนะไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวนผู้อื่นอันนี้เรื่องความวดงามแต่ว่าเวลามีคนส่งเสียงนะ ส่งเสียงดังเนี่ยให้ท่านได้ยินเนี่ยท่านกลับสงบนะไม่ได้กุนเคืองใจนะในขณะที่ท่านมีพฤติกรรมที่ไม่รบกวนผู้อื่นนะแต่ว่าเวลาใครมารบกวนท่านท่านกลับสงบนิ่งนะไม่รู้สึกทุกข์ร้อนด้วยเวลาท่านพูดนะท่านก็พูดด้วยวาจาที่ไพเราะสุภาพนะแต่เวลามีคนมา ใช่วาจาหยาบคายกับท่านนะกล่าวหาใส่ร้ายท่านเท่ากับสงบอันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นคุณสมบัติที่ดูเหมือนขัดแย้งกันในตัวนะคือในด้านหนึ่งก็สงบเรียบร้อยแต่ด้านในด้านนึ่งก็เข้มแข็งอย่างหลวงพาอคำเขียนเนี่ยอนะท่านท่าที่อยู่กับท่านมาสามสิบกวปีก็ไม่เห็นไม่เคยได้ยินท่านว่าร้ายใครนะท่านกับพูดจ่าสุภาพด้วยนะแต่ว่า เวลามีคนใส่ไลายกล่าวหาท่านท่านกลับเฉยในช่วงในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมานี่ท่านก็โดนใส่ไล้์เยอะนะเพราะว่าตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้เป็นพระที่มีคนรู้จักมากอายุท่านก็สี่สิบกว่าก็เรียกว่าเป็นพระหนุ่มท่านทำในสิ่งที่พระหลายรูปไม่ทำเช่นใส่ใจพัฒนาชุมชน ตั้งศูนย์เด็กมีการทำสา ก, กรนะเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านสมัยนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่สมัยก่อนมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แปลกอย่างเดียวนะน่าระแวงด้วยเพราะว่าสมัยโน้ตพื้นที่แถวนี้มันก็เป็นเขตสีชมพูนะมันเป็นเขตทำงานของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะเจ้าที่รัฐบาลก็จับตามองผู้คนบนหลังเขา ใครขึ้นมาก็ยังถูกจับตาจำได้สมัยทีต่ตมาขึ้นมาหาหลวงพ่อปีสองสามนี่นีท่านต้อนรับอย่างดีนะแต่ว่ามกทายกระแวงนะนพอเห็นเนื่องว่าเราเป็นนักศึกษาพอเห็นว่าเป็นนักศึกษาก็คิดว่าเป็นพวกแนวร่วมคอมมิวนิสต์มาขอซักถามรายละเอียดอย่างชัดอย่างอย่างละเอียดนะ ชื่ออะไรนะบ้านอยู่ไหนทํางานที่ไหนขอดูบัตรประชาชนในแรต่างๆเป็นต้นแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยพอท่านอยู่ในสาการชนิด ก, ก็ถูกรำแวงเราไม่ได้ถูกระแวงป่ากเราถูกใส่ร้ายด้วยคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากงานที่ท่านทํานำะท่านมีทําสาการข้าวได้เงินมาคนให้เงินถวายเงินมานะ เป็นแสนสี่สิปีที่แล้วนี่เงินเป็นแสนนี่ถ้าเทียบสมัยนี้ก็เป็นล้าน น, นนะชาวบ้านหลายคนที่ไปพูดนำเนี่ยก็คงตาวาวนะแต่พอไม่สามารถจะหาผลประโยชน์นะจากเงินก้อนนี้ได้ก็ไม่พอใจท่านนะกล่าวร้ายท่านใส่ร้ายท่านก็เห็นหลวงพ่อท่านก็นิ่งเฉยนะ ไม่มีอาการทุกร้อนอะไรนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของครูบาอาจารย์นะคือว่าในด้านนึ่งก็สุภาพกับผู้คนนะไม่ใส่ร้ายแต่เวลาถูกใส่ร้ายบ้างเวลาถูกใส่ร้ายก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรครูบาอาจารย์บางท่านเรียกว่าทุกท่านนะท่านไม่มีความคิดหรือเราไม่เคยที่จะไป เบียดเบียดไข่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ไครแต่เวลามีคนมาสร้างความเดือดร้อนบางทีถึงขั้นมาทำร้ายท่านก็สงบนะสงบนิ่งอย่างหลวงพ่อประสิทธาวโรในอดีตเจ้าวาดวัดธรรมใหญ่เปรกเนีเกาะศีชังมีคาวหนึ่งมีพระนักเลงนะถือไม้หน้าสามมาหาท่านที่กุติแล้วถามว่าท่านแน่หรือ หลวงพ่อท่านก็ไม่อยากหาเรื่องทัานก็บอกว่าผมไม่แน่แต่แทนที่ภาพรูปนั้นนี่จะจะจะอยู่เฉยนะก็กลับเอาไม้หน้าสามนีม่ฟาดท่านไม่ฟาดทีจะฟาดหลายทีหลวงพ่อจิท่านก็ไม่ตอบโต้นะท่านกลับยืนนิ่งให้ภาพรูปนั้นเนี่ยฟาดด้ยซ้ําในใจท่านก็นึกว่าเออพิจารณาวันเนินหนังมังสาเป็นของเน่าเปื่อย อันนี้ก็แสดงว่าท่านไม่ได้มีความยึดติดถือมั่นกับร่างกายนี้เลยโดนฟาด จ, จนกระทั่งเลือดชุ่มจีวรท่านก็กลับมองว่าเออดีเหมือนกันเลือดเราออกมันจะได้ล้างธรณีสงสุดท้ายชาวบ้านนี่มาห้ามาไว้มามากันเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยแม้ว่าท่านจะไม่เบียดเบียนใครนะเพราะว่าท่านมั่นคงในศีลในวินยัย แต่ครูบาอาจารย์ที่แท้จริงเนี่ยแม้ถูกทําร้ายนะท่านก็ไม่ตอบโต้เด็ดซ้ําหรืออย่างน้อยก็ไม่ไม่ทําร้ายกลับแล้วก็ไม่ได้ทุกร้อนด้วยนะอันนี้เป็นเพราะว่าท่านนะมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็ ง, ขงด้วยอํานาจของขันติธรรมแต่เชื่อถ้ามีมากกว่า น, นั้นนะก็คือท่านมีสติมีเมตตากรุณาแล้วก็มีปัญญาด้วยปัญญานี่ทําให้ท่านเนี่ยมองว่า คำต่อว่าด่าทอก็ดีคำใส่ร้ายก็ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นโลกธรรมไม่มีใครที่จะหลีกพ้นนะเป็นธรรมดาโลกโลกธรรมมันแปมันความหมายหนึ่งก็คือธรรมดาโลกขณะพุทธเจ้าก็ยังโดนมาแล้วหนักกว่านี้เยอะท่า น, นโดนใส่ร้ายก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอีกส่วนที่สาคัญคือท่านมีความยึติดในตัวตนน้อยนะคนเรานี่ถ้ายึติในตัวตนน้อยหรือว่ามีความยึติถือมั่น ในตัวกูของกูน้อยเนี่ยจะดายังไงก็เฉยนะที่ไม่เฉยก็เพราะว่ามันมีความยึดติดในตัวตนยังห่วงใ ย, ยภาพลักษนณะ์ห่วงใ ย, ยหน้าตารวมไปถึงศักดิ์ศรีด้วยพอถ้าถูกใส่ร้ายนะถูกด่าว่าก็รู้สึกว่าตัวตนมันถูกกระทบนะที่จริง ไม่ไม่ต้องใส่ร้ายหรอกนะแค่ไม่ชมนี่ก็ก็รู้สึกกระเทือนละนะอ่ถ้าถ้าไม่มีคนชมก็ต้องพยายามหาเรื่องให้คนชมเนะว่าฉันเก่งอย่างโ น, น้นฉันเก่งอย่างนี้นะคนจะได้ชมฉันนะอันนี้มันก็แสงว่ายัางมีความยุติในตัวตนอยู่นะและถ้ายัางมีความยุติในตัวตนเนี่ยนะก็ย่อมธรรมดาเวลาถูกด่าว่านะถูกใส่ร้ายก็ยิ่งโกรธนะ ยึกโมราไม่ต้องพูดถึงเรื่องการถูกทําร้ายทางทางกายนะแต่ถ้าเกิดคนที่เข้าถึงนะมีปัญญาท่านไม่มีความยึดติดในตัวตนนะไม่ได้คิดว่าร่างกายนี้เป็นกูเป็นของกูก็จะฟาดยังไงนะท่านก็ไม่มีความโกรธแค้นท่านอาจจะเห็นเป็นถึงขั้นว่ามันมีแต่กายที่ปวดนะแต่ใจไม่ได้ปวดด้วย อันนี้ก็ต้องเรียกว่ามีปัญญาถึงขั้นจนกระทั่งจิตมันไม่มันไม่ไปยึดเอาทุกเขเวทนาหรือความปวดของกายมาเป็นความปวดของกูซึ่งมีแต่ทําให้จิตมันทุกข์มากขึ้นกายปวดก็ปวดไปนะใจไม่ทุกข์นะพอใจไม่ทุกข์แล้วก็ไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบามไม่มีความคิดที่จะตอบโต้แก้แค้นเพราะนั้นจิตใจก็มั่นคงได้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะ บาปการของครูบาอาจารย์ที่เราน่าจะนำมาพิจารณามาเป็นแบบอย่างได้ในแง่ที่ว่าเวลาเวลาเราจะฝึกฝนพัฒนานตนเนี่ยในด้านนึงเราก็ต้องพยายามรักษากายวาจาของเราเนี่ยไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นสีเนี่ยมันก็เป็นจะเรียกเป็นเป็นรัว้วหรือเป็น เป็นเครื่องคอยตักเตือนนะไม่ให้เราใช้กายวาจาเนี่ยไปเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้เมื่อราสาสักษาศีลดีแล้วเนี่ยนะถามว่าพอไหมมันยังไม่พอนะถึงแม้เราไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปรบกวนใครให้เดือดร้อนแต่ว่าถ้ามีคนมารบกวนเรามาเบียดเบียนเราเนี่ยแล้วเราเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ายัางยังทํา อย่างปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนถ้าจะปฏิบัติอย่างครบถ้วนคือว่านอกจากจะรักษาศีลให้ดีไม่ไปเบียดเบีย น, นใครนะแต่เวลาถูกเบียดเบียนใจก็ไม่ทุกข์นะอันนี้เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องน ะ, ะพัฒนานะตนเองไปให้ถึงมันก็เหมือนกับเวลา เรามาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนไม่ให้ไปรบกวนคนอื่นไม่ส่งเสียงรบกวนคนอื่นนะอันนี้มันก็เป็นมารยาทขั้นพื้นฐานนะการทำอะไรนี่ไม่ไปรบกวนไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นนะยิ่งมาเป็นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเวลาเดินก็ดีเวลาฉันก็ดีนะเวลาพูดคุยก็ดีนะก็ไม่ส่งเสียงดัง ยิ่งในสำนักนะที่เป็นสำนักปฏิบัติเนี่ยการใช้เสียงนี่ก็ต้องระมัดระวังมันก็ต้องใช้สตินะแต่เวลามีคนส่งเสียงดังนะเราก็ต้องรักษาใจเราไม่ให้ทุกขนะ์นักปฏิบัติหลายคนเนี่ยนะพยายามระมัดระวังในการใช้เสียงนะไม่ว่าการเดินการขบชันนะการปัดกวาดทำความสะอาดที่พัก การพูดคุยเนี่ยก็ระมัดระวังไม่ใช้เสียงแต่พอมีเสียงดังมากระทบหูเนี่ยจะขุนเคืองอาจจะเป็นเสียงดังที่เกิดจากการพูดคุยของคนอยู่รอบข้างคนที่พักในห้องข้างๆหรือว่าเสียงรถยนต์เสียงมอตรไซหรือว่าเสียงจากลำโพงในหมู่บ้านอันนี้เห็นได้เยอะสังเกตได้ได้เยอะพยายามรักษา ระงับไม่ให้ส่งเสียงดังตัวเองพยายามพยายามทําอะไรไม่ให้ส่งเสียงดังแต่พอเจอเสียงดังบ้าง่ทําทใจไม่ได้คุณเคืองอั น, นเรียกว่าทําดีได้ครึ่งหนึ่งนะครึ่งที่ครึ่งหนึ่งคือว่าอเราไม่ไปรบกวนคนอื่นนะเราระมัดระวังไม่ไปรบกวนคนอื่นแต่ว่าไอ้ที่ยังยังไม่ได้ทําหรื อ, อยังทําไม่ดีคือว่าพอคนอื่นมารบกวนเราเราคุณเคืองใจนะ นักปฏิบัติเนี่ยจะต้องทำให้ได้ดีทั้งสองอย่างก็คือว่าหนึ่งเราไม่รบกวนใครสองถ้ามีคนมารบกวนเรานะเราไม่ทุกข์นะหลายคนเนี่ยนะใส่ใจเคร่งครัดในการรักษาศีล น, นะพยายามาให้ศีลทั้งข้อหนึ่งข้อห้านี่เรียกว่าสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ว่าเวลามีคนมาละเมิดศีล น, นะส่งผล นะมาลบกวนหรือลังแกตัวเองเนี่ยนะกลับทำใจไม่ได้นะเช่นอุตส่าห์รักษาศีลดีแต่ว่าถูกโกงนะก็จะบ่นตีโพตีพายว่าทำไมนะฉันทำบุญรักษาศีนนะทำไมจึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะหรือบางทีไม่ใช่มีใครมาทำร้ายเรานะด้วยเจตนา แต่ว่าด้วยความไม่ตั้งใจเช่นเกิดอุบัติเหตุรถชนนะก็จะตีโพยตีพายนะก็จะอ้างว่าเนี่ยฉันอุตส่ารักษาศีลทำความดีแต่ทำไมต้องมาเจอข้ อ, อ ก, กรรมแบบนี้นะยังไม่ต้องพูดถึงเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นไฟไหม้น้ำท่วมเนะี่ยอันนี้ก็เรียกว่าและไม่สามารถจะ ทำจิตใจให้มั่นคงเข้มแข็งได้อันนี้ก็เรียกว่ายัางยังทำไม่ดีพอนะเพราะว่าถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยนะในด้านหนึ่งเราก็รักษาศีลนะดูแลพฤติกรรมการกระทำทางกายวาจาของเราไม่ให้ไปเบียดเบียนใครนะแต่ถ้าใครมาเบียดเบียนเราเนี่ยเราก็ต้องฝึกใจให้เข้มแข็งมั่นคงคือไม่ทุก อันนี้ก็เป็นเรื่องภาวนาโดยตรงเลยนะไอการไม่ไปเบียดเบียนใครนี่เป็นเรื่องศีลนะแต่ถ้าเกิดถูกคนมาเบียดเบียนแล้วจิตใจเป็นปกติมั่นคงอันนี้ต้องอาศัยการภาวนาอันนั้นก็หมายความว่ารักษาศีลยังไม่พอต้องภาวนาด้วยแล้วต้องภาวนาถึงขั้นที่เรียกว่าแม้มีคนมาทำร้ายมีคนมารบกวนะใจก็ไม่ทุกข์นะไม่บ่วนวอยีโพตีพายแล้วก็ไม่เกิดโทสะนะ ทำดีกับใครอันนี้เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเขาทำเขาทาไม่ดีกับเราเขามาใส่ร้ายเราเราก็ไม่ทุกขนะ์นันเราต้องปฏิบัติถึงขั้นนี้นะอันนี้ถึงจะเรียกว่าเราเดินตามรอยครูบาอาจารย์หรือว่าเรียกว่าเราเป็นผู้ที่มีการศึกษาที่มีพัฒนาการากว่าไปแล้วคนเราเนี่ยนะพัฒนาการคนเราเนี่ยมันก็สามารถจะดูได้จากองที่วันหนึ่งเนี่ย เบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่านะแต่สองผู้อ่นเบียดเบียนแล้วเนี่ยเราเป็นทุกข์ไหมคนที่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะส่วนใหญ่เกือบร้อยทั้งร้อยเนี่ยพอถูกเบียดเบียนบ้างก็จะโวยวายตีโพยตีพายโกรธโมโหทุกขนะ์คนที่ไม่รัไม่มีศีลเนี่ยนะไปฆ่าสัตว์ไปทําร้ายคนไปลักขโมยไปประพฤติผิดในกามโกหกใส่ร้ายนะ เวลาถูกคนนื่นก็ทากับตัวเองบ้างมาทำร้ายตัวเองนะหรือว่าโกงเงินเอาทรัพย์สมบัตินะแย่งชิงไปหรือว่าเข้ามาเป็นชู้กับเมียตัวนะหรือว่าเข้ามาโกหกใส่ร้ายเนะี่โอ้ทนไม่ได้นะอันนี้เรียกแย่สุดนะคือหนึ่งทำร้ายคนอื่นสองเวลาถูกทาร้ายใจก็ทุกข์ทงที่ดีกว่าก็คือ นะไม่ทำลายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่รบ ก, กวนผู้อื่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาศีล น, นะการใช้เสียงนะหรือว่าเรื่องอื่นๆนะที่มันที่มันนอกเหนือจากการไปเบียดเบียนในรักษณีการผิดศีลอันนี้ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมารบ ก, กวนตัวเองนะละเมิดศีล ส, ส่งผลกระทบต่อตัวเอง นะหรือว่าส่งเสียงดังกล่าวหาใส่ร้ายตัวเองแล้วทุกอันเนี้ยอันนี้ถือว่าอดีดีหนึ่งนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งยังยังไม่ดีนะดีแค่หนึ่งนะอันนี้ก็ยังเรียกว่าดีกว่าประเภทแรกก็คือพวกที่ผิดศีลแล้วก็พอคนอื่นเข้ามารบกวนมาเบียดเบียนก็ทุกนะแต่ว่าประเภทว่าไม่เบียดเบียนใครแต่พอคนมาเบียดเบียน หรือนะมารบกวนตัวเองในเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้อยังไม่ดีพอนะต้องประเภทที่สามคือว่าไม่เบียดเบียนใครด้วยนะไม่รบกวนใครด้วยและถึงแม้จะถูกรบกวนถูกเบียดเบียนนะใจก็ไม่ทุกข์นะไม่เอะอะโวยวายไม่ตีโพยตีพายแล้วก็ไม่ไม่โกรธ ด, ด้วยนะตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติควรจะใส่ใจนะเพราะว่าเท่าที่เท่าที่เห็นนหลายคนนะ ไม่ใช่เพราะไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะที่อื่นด้วยเนะี่ยะในด้านนี้ก็รักษากายวาจาให้ดีนะไม่ไปเบียดเบียนใครแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้รักษาให้ดีเพียงพอพอถูกเบียดเบียนเข้าก็เป็นทุกขนะ์ตัวอย่างง่ายๆเออเราไม่ส่งเสียงดังรบกวนใครแต่พอคนอื่นมาส่งเสียงรบกวนเรานี่เราหงุดหงิดงุนงานนะตีโพยตีพาย เราไม่ว่าร้ายใครแต่พอคนอื่นมาว่าว่าร้ายเราโอ้เราโมโหเราขุนเคืองใจนะอ่านักปฏิบัติธรรมถ้าถ้ายังทําได้แค่นี้ยังถือว่ามีการบ้านที่ต้องฝึกนะอย่าพอใจเพียงแค่ว่าโอ้ฉันรักษาศีลดีศีลฉันไม่บกพร่องแล้วแต่ว่าถ้าใครมาทําอะไรฉันนี่นะโกรธโมโหะเพียงแค่ดินทาก็ไม่พอใจละบางทีคิดอยากจะตอบโต้ อยากจะว่าร้ายกลับนะอันนี้เรียกว่ายังยังยังไม่ได้นะยังไม่ได้ฝึกที่ใจของตัวเองนะฝึกแค่กายวาจานะถามตัวเองนะว่าเออเราเราทำได้ขั้นไหนแล้วนะเราทำได้แค่ขั้นที่สองเท่านั้นหรือว่าหรือเปล่าหรือว่าทำได้ถึงขั้นที่สามขั้นที่สองหมายความว่าเราไม่ไปเบียดเบียรบกวนใคร แต่เรายังทุกข์เมื่อมีคนมาเบียดเบียนรบ ก, กวนเรานะไม่ว่าจะว่าร้ายใส่ร้ายหรือว่าลักขโมยคดโกงทรัพย์สมบัติของเราหรือเอาของลักของหัวของเราไปหรือมาทําร้ายนะตัวเราอย่ามองข้ามประเด็นนี้นะเพราะว่าจะไปเข้าใจว่าคนเราเพอทําดีแล้วเนี่ยนะมันจะมีคนทําดีกับเราด้วยนะอันนี้นักปฏิบัติธรรมหรือว่า ผู้รักษาศีลายคนเนี่ยนะมีความเข้าใจแบบนี้ว่าในเมื่อฉันทำดีแล้วเนี่ยนะคนอื่นก็จะดีกับฉันด้วยที่จริงเนี่ยการทำดีของเราเนี่ยมันก็เป็นปราการนะที่จะคอยป้องกันไม่ให้ความทุกข์ความร้อนเนี่ย น, ะ, นะเข้ามาเล่นงานรังควานเราแต่มันก็ไม่สามารถจะป้องกัน100กได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กแพงความดีของเราเนี่ยมันไม่สามารถจะป้องกันความชั่วร้าย หรือว่าทุกภัยไม่ให้มาถึงเราอย่างสิ้นเชิงนะป้องกันได้แค่6 0ส0 8เจ็ดิแปดซตแต่มันก็ต้องมีอีก 20% ที่มันเล็ดรอดมาได้ขณะพุทธเจา้าเนี่ยพระองค์ก็ทำความดีนะเรียกว่าไม่เคยบุ่งร้ายต่อใครนะุ่งแต่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพราะประโยชน์ตนพระองค์เนี่ยทำเสร็จสิ้นแล้วเสร็จกิจแล้ว พรมีพระกรุณาเมตตาอันยิ่งใหญ่แล้วก็มีคนไม่แค่ใส่ร้ายท่านนะแต่ถึงขั้นทำร้ายจะเอาชีวิตหมายปองชีวิตแล้วบางทีก็ไม่ใช่คนไกลคนใกล้เนี่ยพระเทวทัตคนไกลก็มีนะพวกพวกอัญญาเดรธีนะพวกที่เป็นพวกที่มีลัทธิตะตรงข้ามกับพระองค์นี่ขณะพระองค์นี่เป็นบุรุษที่ประเสริฐอย่างยิ่งเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะหนีพ้นการ เบียดเบียนการรบกวนการทำร้ายได้แล้วเราซึ่งเป็นปุตุชนล่ะนะเพียงแค่ว่ามีรับมีศีลดีนะมั่นใจในศีลของตัวเองนะแล้วถ้าไปเผลอคาดหวังว่าจะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราเลยเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่ายังขาดปัญญานะขาดปัญญาในแง่ที่ว่าไอเหตุร้ายเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเรา ในะความดีของเราไม่ว่าจะมีมากแค่ไหนมันก็ไม่สามารถจะป้องกันไม่ให้คนชั่วร้ายเนี่ยนะหรือคนที่คิดร้ายมาทำร้ายเราได้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงทุกภัยอย่างอื่นนะเ mm hmm. นะช่นความแก่ความเจ็บนะโรคภยัยนะที่ร้ายแรงหรือว่าอันตรายนะจากภัยธรรมชาตินะความพัดภากสูญเสียไอ้พวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใครมาทาร้ายเรา นะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติหลายคนเนี่ยพอทำความดีให้ทารักษาศีลมากเนี่ยนะก็ไปมีความคาดหวังว่าเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นกับฉันอันนี้ก็เป็นความหลงนะเป็นอวิชชาอย่างหนึง่งนะไม่เข้าใจว่าโลกมันนะมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราคนก็คนในโลกนี้ก็ต่างจิตต่างใจนะ คนดีก็มีคนชั่วก็มีนะคนชั่วนี่ก็อาจจะเห็นเราเป็นเป้าก็มาเบียดเบียนเราแต่ว่าข้อสำคัญคือว่าเขามาเบียดเบียนเราก็เบียดเบียนแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เขามาเบียดเบียเนเอาทรัพย์สมบัติของเราไปแต่ใจเราไม่ทุกข์อันนี้เป็นการบ้านนะสำหรับชาวผู้สำนักปฏิบัติธรรมนะซึ่งต้องอาศัยการภาวนานะ ภาน้าให้มีสตินะจนกระทั่งเออสามารถจะไม่ปล่อยใจให้จมอยู่ในความทุกข์นะรักษาจิตไม่ให้กระเพื่อมนะเวลามีอะไรมากระทบกายหรือว่ามีวาจามากระทบหนะูหรือว่ามีคนม า, ารบกวนดูแนะลใจไม่ให้เป็นทุกข์ได้หรือว่าถ้ามีปัญญาพัฒนาปัญญาจนถึงขั้นว่านะไม่มีความยึดติดในตัวกูของกูเนี่ยนะ ไม่มีไม่ว่าใครมาทําอะไรก็ไม่รู้สึกว่ามาโดนกู่สักทีไม่มีไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่มีคําว่ามากระทบตัวกูเลยเนี่ยอย่างหลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยนะออตอนที่ทํามาบุกเบิกสร้างวัดทําใหญ่ปีกใหม่ๆเนี่ยนะคนที่ไม่เห็นด้วยนะก็มีเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนดีนะเป็นพวกนักเลงอันธพาล อยากจะได้ประโยชน์จากที่วัดก็พยายามหาทางกันแกล้งพระเพื่อขับไล่พรานี่ให้ออกไปจากวัดนะแต่หลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็ไม่ยอมนะท่านก็เห็นว่าวัดนี่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนโดยเพราะไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์แต่รวมถึงแม่ชีด้วยถ้ถูกกันแกล้งยังไงท่านก็ไม่ท้อถอยแต่พวกท่านก็ทางหาทางแกล้งนะใส่ร้าย ด่าว่าบางทีพระบินทะบาตก็เดินมัดแก้งมาเดินชนจนกระทั่งจิวจนกระทั่งบาทตกนะหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็เคยโดนชนจนกระทั่งหกล้มนะแต่ท่านก็ไม่ได้โกรธแค้นหรือไม่ได้ท้อถอยมีวันหนึ่งท่านเดินเข้าไปในหมู่บ้านผ่านหน้าบ้านของนักเลงคนหนึ่งนะ นักเรียนคนนั้นพอเห็นหลวงพ่อเดินผ่านก็ถือว่าดีละนะหมูมาชนปังตอมั้งก็เลยด่าว่าท่านได้โอกาสด่าว่าท่านด่าว่าแรงๆคนเราเวลาพอถูกด่าว่าเนี่ยก็มักจะทำสองอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือหนึ่งทำหทมูทนลมสองโกโรธด่ากลับหลวงพ่อประสิทธิ์นี่ถ้าไม่ทำทั้งสองอย่างนะท่านเดินเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นพอไปถึงตัวก็จับแขนเขยา่า มึงด่าใครมึงด่าใครผู้ชายก็ต้องบอกว่าก็ด่ามึงน่ะสิพูดกับพานกะ็ด่ามึงน่ะสิหลวพ่อสิทธได้ยินก็ยิ้มเลยเขาบอกอ๋อแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงนี่แล้วอย่าด่ากูแล้วกัน <c oughs> นะคือถ้าคนที่ไม่มีตัวตนนะนะถูกด่ายังไงก็ไม่รู้สึกนะแถมยังแถมยังสามารถจะพูดให้เออห่หมอนั่นงงนะตกลงกูด่าใครกันแน่วะเนี่ยแต่ถ้ามีตัวตนนะมึงจะรับ เอาคำด่าเนี่ยเข้ามาเต็มเปล่าเลยเปิดตัวกูชูตัวกูให้คำด่ามนก็แทกอย่างแรงจากคนที่มีตัวตนน้อยนะหรือไม่มีตัวตนนี่ด่ายังไงก็ไม่ถูกตัวนะนะแม้จะด่าตรงๆนะ้วก็ก็ไม่ได้เดือดร้อนนะอย่างที่หลวงพ่อสิวะเนี่ยดีแล้วอย่าด่ากูแล้วกันนะที่แท้ก็ดา่ามึงอย่าด่ากูแล้วกันไอ้ที่ดา่ดาๆไปนี่ไม่โดนตัวท่าเลยนะเพราะว่า ถ้านไม่มีตัวตนอันที่จะชูหรือที่จะยึดเราก็ฝากเอาไว้นะคำนี้กระบพาพพร้อมกัน